เชื่อบุญกรรมแล้วเครียดบทความโดยดังตรินจัดทําโดยวันนิสาเมเดลพอเชื่อเรื่องบุญบาปละชักเครียดแบบว่าไม่สบายใจเลยหยุมยิ้มละเอียดยิบไปหมดอะไรๆก็เหมือนเป็นบาปทั้งนั้นจะเป็นคนดีเป็นคนพูดขึ้นมากับเขาสักคนหนึ่งต้องทําดีให้ได้อย่างคุณดังตรินว่ามาทั้งหมดเลยหรือ การที่ผมตอบคําถามของแต่ละคนนั้นเป็นเรื่องของเขาเป็นปัญหาเด่นๆโดยเฉพาะของเขาครับบางทีคนเราพลิกชีวิตเปลี่ยนแปลงไปได้ก็เพราะหลุดจากปัญหาใหญ่ที่กําลังติดขัดด้วยการสละต้นเหตุแห่งปัญหาเฉพาะตัวไปเท่านั้นขอบเขตวิธีดําเนินชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองนั้นพระผู้มีพระภาคท่านจํากัดวงไว้สั้นๆเพื่อจําง่ายสามประการคือละกามชั่วทั้งหลาย ประกอบกรรมดีทั้งปวงและทําใจให้บริสุทธิ์อย่างไรก็ตามคนเราเต็มไปด้วยม่านหมอกโมหะห่อหุ้มทาให้เห็นผิดเป็นชอบเห็นบาปเป็นเรื่องธรรมดาหรือกระทั่งเห็นกงจากเป็นดอกบัวเพราะฉะนั้นบางทีจึงจาเป็นต้องคุยกันทีละข้อทีละประเด็นว่าอย่างไรเรียกบาปทาไมถึงเป็นบาปทำบาปแล้วจะได้ผลลัพธ์อย่างไร แน่นอนว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่ใครสักคนจะเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงวิธีพูดและเปลี่ยนแปลงการทำมาหากินทุกๆข้อในวันเดียวอย่างไรก็ตามคงเป็นไปได้ที่เราจะมองเห็นตามจริงว่ากรรมดําอันใดที่ทําอยู่เป็นประจําแล้วปรากฏผลอยู่ชัดๆว่าทําละเป็นทุกข์เป็นความหมุนหมองเป็นความเสื่อมทางจิตทางใจพูดง่ายๆว่า เกือบทุกคนมีกรรมดําบางอย่างที่ส่งผลร้ายอย่างสําคัญอยู่เห็นเห็นขอเพียงมีศรัทธามีความเชื่อว่าถ้าเปลี่ยนกรรมดําอย่างใหญ่ที่สําคัญนั้นๆได้ชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเอาแค่นั้นพอสรุปคือเริ่มเลือกเอาข้อเดียวก่อนก็ได้ครับเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงจุดที่สําคัญที่สุดได้เส้นทางชีวิตของคุณอาจพลิกเปลี่ยน และเห็นทางข้างหน้าว่าเป็นฟ้าสว่างเองและนับจากก้าวใหญ่ของชีวิตก้าวนั้นคุณจะไม่เห็นก้าวดีอื่นๆที่ตามมาเป็นเรื่องเหลือฝืนอีกต่อไป